ก็ขอโมโนากับเราเด้วยเนี้เออที่ตั้งใจในการที่สาธยายกันเมื่อสักครู่ต่อไปขึ้นในเรื่องของคำว่าสีรกักษาโดยเวลาที่เหลือเนี่ย คงจะใช้เวลากล่าวไม่หมดในชั้นของเอกสารแน่นอนแต่ก็จะพยายามนะใช้เวลาให้มีค่าเท่าที่จะสามารถที่จะดำเนินเรื่องได้ก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะนะเราท่านทั้งหลายก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะทามฝ่ายกลางก็มาทำหน้าที่กันในกรณีของการที่มาเจริญพระธรรมคําสอ น, นฟังคําสอนของพทะเจ้ากันในเรื่องของการที่มากําหนดมาไข่ครวรในเรื่องของจบไปใน เรื่องสีธาระกถาทีนี้ในชั้นที่2เป็นสีระกะรถาภา a n าเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสีเมื่อพระบระมาศา ส, าสดาทรงแสดงธานรกรถาจบลงแล้วเมื่อบุคคลสามารถที่จะให้ทานได้แล้วบุคคลนั้นก็อาจที่จะรักษาสีได้ก็หมายความว่าคนที่จะรักษาหรือจะเจริญรทานกุศลได้คล่องแคล่วแล้วเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาจากทานกุศลเป็นปัจจัยต่อศีลกุศลเป็นต้นได้ ในลําดับต่อจากทา น, นกถาพราะองค์จึงแสดงศีรกถาเป็นอันเป็นอันดับที่สองแท้จริงแล้วการให้ทานคือการสละอะไรสละวัตถุทีนี้การสละวัตถุนี่นะการสละวัตถุสิ่งของของตนให้แก่บุคคลผู้ควรรับทานซึ่งการสละนั้นเป็นการสละด้วยจิตที่มีความงามโดยการไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของที่ตนให้นอกจากจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยความไม่โลภไม่ยึดติดไม่เสียดายในวัตถุสิ่งของแล้วจิตนั้นยังเป็นจิตที่ประกอบไปด้วย ทาคือความตั้งมั่นเชื่อมั่นในคุณของพระพรัตนตรยัยแล้วก็เชื่อมั่นในกรรมและก็ผลของกรรมมีความไม่โลภและก็มีความไม่โกรธเป้าหมายก็คือปัญญาที่ไปเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมมีเมตตามีความรักและมีความกรุณาสงสารแม้เป็นการให้โดยจิตที่คิดจะบูชาเช่นการให้แก่บิบดามารดาครัวจานเนี่ยนะการให้แก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีล หรือระดับจะบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระธรรมปาริยสงฆ์ที่นี้ถ้ามองในลักษ์บุคคลผู้เป็นทายกผู้ให้นั้นย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าด้วยการประทุสส้าย ด้วยการประพฤติด้วยอาการแห่งการขโมยวัตถุสินของของบุคคลอื่นและก็ไม่เบียดเบียนในการประพฤติผิดในบุตรภรรยาของบุคคลอื่นเป็นต้นฉะนะในการกระทําเช่นนั้นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั้นจักไม่ทาหรือไม่ดื่มสุรามรเมีัยนะี่นะทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้บอกว่าอีกทั้งเห็นว่าความบริสุทธิ์ของทายกคือผู้ให้และปฏิฆาหกหรือผู้รับนั้นน่ยการที่ผู้ให้จะเป็นผู้บริสุทธิ์การที่ผู้รับจะเป็นผู้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยความเป็นผู้มีศีลศีล เนี่ยจึงกล่าวต่อจากทานในกุศลในชั้นคําสอนในทัศนีนาวิพังกสูตรท่านกล่าวไว้เกี่ยวกับคําว่าโยศีราวาศีรวันเตสุททาธิทานังธรมเมสุรัฐังสุปัสสันนจิตโตเป็นต้นบอกว่าผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งแล้วให้ทานในคนมีศีลเรากล่าวว่าทานของผู้นั้นแลมีผลเป็นภัยบุญเห็นไหมถ้าเรามองงนี้ก็บอกว่า คุณแห่งธรรมคุณธรรมทั้งหลายต่างๆนี้เรามามองพิจารณาอย่างนี้นะจะเห็นว่าในชั้นของศีลที่เราจะศึกษากันเนี่ยนะมามองถึงชั้นคำสอนท่านพูดถึงว่าอะไรเป็นศีลศีลมีเท่าไหร่ศีลมีสมุดฐาน อะไรเป็นสมุทฐานศีลเป็นที่ประชุมของธรรมะอะไรเป็นต้นศีลเป็นที่ประชุมถ้าเรามองอย่างนี้นะศีลมีอะไรเป็นสมุทฐานอะไรเป็นศีลท่านบอกถึงเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรก็เป็นศีลการไม่ก้าวร่วงหรือการไม่ร่วงละเมิดเป็นต้นก็ชื่อว่าศีลเนี่ยนะศีลมีเท่าไหร่อันนี้ท่านที่จริงในชั้นของขรูทกษานิกายปฏิสัมพิธามาท่านกขยายไว้เป็นสามมุม ในชั้นของกุศลศีลในชั้นของอกุศลศีลในชั้นของอัพยากตศีลแต่ในที่นี้ที่จะกล่าวเราจะเน้นเสนอกล่าวในฐานะ กลาวนี่แต่นะว่าเป็นกุศลศีลอย่างเดียวเท่านั้นนะส่วนรายละเอียดของอกุศลไม่กล่าวเพราะเรามาขับเน้นตัวว่ากุศลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุทฐานอกุศลศีลก็มีอกุศลจิตเป็นสมุทฐานอัพยากตศีลมีอัพยากตอภิญญาคตจิตเป็นสมุทฐานทีนี้ก็พิจารณาแล้วว่าที่จะมาขับเน้นเรื่องกุศลศีลก็แปลว่าพูดถึงศีลที่เป็นไปกับกุศลเมื่อพูดถึงศีลที่เป็นไปกับกุศลแล้วเนี่ยนะ ศีลเป็นที่ประชุมแห่งสังวรเนแีแก่ขันที่สมยุทธ์โดยการสํารวมนะขันเหล่านั้นประกอบไปด้วยคือการปนกันด้วยการสํารวมจึงเรียกว่าเป็นที่ประชุมแห่งสังวรคือในขณะที่กุศลศีลเกิดขึ้นนี่ยก็มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันที่เป็นไปกับกุศลจิตฉะนั้นในขณะที่กุศลเสร็จกลังดาเนินไปอยู่นั้น แล้วก็ขับเน้นเป็นไปกับการสังวรระวังมีสีละสังวรก็คือการปิดบาปนะก็ราคาโทสะโมหะไม่ให้หมุนเข้าสู่กระแสจิตแล้วจะได้ไม่ล่วงละเมิดมาทางกายกรรมและวจยกรรมเป็นต้นลักษณะอย่างนั้นเป็นในชั้นของ สังวรที่เป็นไปของกษษษษุศลศีลจึงเป็นที่ประชมุมของสังวรเป็นที่ประชุมแห่งการไม่ก้าวล่วงเป็นต้นการไม่ COVID กาม้าวล่วงปานอาติบาศก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ก้าวล่วงอาทินท า, านก็คือการไม่รักทรัพย์ไม่ก้าวล่วงการเมสุมิชฌาจาร์มุสาวาตปิสุนาวาจาพรรุรสวาจาสัมภปรา ป, ปะและก็ไม่ก้าวล่วงความโลภความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดหมายความว่าไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาเนี่ย ศีลเป็นที่ประชุมของเจตนาด้วยนะอันเกิดด้วยความเป็นใบบอกว่าขันที่สัมปยุตในเจตนาเนี่ยอันเกิดขึ้นในการสํารวมไม่ก้าวล่วง เ, เพราะท่านประสงค์เอาธรรมที่สัมปยุตกับเจตนาทีนี้ท่านขับเน้นเจตนาเนีเจตนาด้วยแล้วขับเน้นตัวเจตสิกดวงอื่นด้วยที น, นี้ก็มองบอกว่าธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นธรรมศีลเนี่ยนะ ของบุคคลที่ตั้งใจสมาทานเป็นผู้งดเว้นจากปนานาติบาสงดเว้นจากอธินนาทานงดเว้นจากกาวเมสุมิชฌาจารย์อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยคือคําว่าทำทั้งหลายเนี่ยมีเจตนาเป็นตน้นคือความตั้งใจในขณะที่เราเจตนางดเว้นเพื่อจักงดเว้นจากบาปทางกา ย, ท า, กายทางวาจานี่นะก็คืองดเว้นจากการที่จะไม่ฆ่าไม่ลักและไม่ประพฤติผิดในการมท่านขับเน้นตัวเจตนาเป็นใหญ่ก่อนเพราะเจตนาเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชาติที่กระตุน้นเตือน ทมที่เกิดร่วมกันกันกบเจตนานั้นกระต้นเตือนให้ผัสสะทมกิจให้เวทนาทรรมกิจให้สัญญาทรรมกิจนะฮะกิจของตนของตนปกติลวโดยเฉพาะก็คือขับเน้นความไม่โลภปกติสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย มักจะมีความโลภเป็นอัธยาศาัยอยู่แล้วเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กในปัจจุบันเะรพบสอนให้โลภนะและถูกสอนให้โลภนะให้ยินดีให้เพลิดเพลินให้พอใจให้สนุกสนานแล้ถูกสอนแบบนี้มาและในสังสารวัตที่ยาวนานเราก็ถูกสอนกันแบบนี้ในขณะที่เราไม่พบคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้กันเลยนะว่าความไม่โลภเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ความโลภเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเราไม่ได้ถูกสอนฉะนั้นเมื่อ เรามาเจอพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาแล้วพระบรมศาสดาก็สอนให้ใช้เจตนาให้เป็นให้ใช้เจตนาให้เป็นเพราะเจตนาเป็นกรรมไงใช่ไหมเจตนาเนี่เป็นกรรมเป็นทั้งกุศ ล, ลกรรมเป็นทั้งอกุศ ล, ลกรรมฉะนั้นถ้าใช้เจตนาผิด ชีวิตก็วิบัติได้บอกไว้แล้วเมื่อเช้าบุคคลที่ใช้เจตนาผิดคือพระเทวทัศน์ก็ใช้ผิดปุรณกัสปมะมคคาริโคสาระอาชีตเกสกัมพลสัญชัยเวราพรุตธปกุทากัจายนะนิครนนาทบุตรใช่ไหม ถ้าเหล่านี้ใช้เจตนาวิบัติหมดเลยนี่คือเจตนาผิดไปเจตนาในการที่มีมิจฉาทิฏฐิเกิดร่วมก็ให้ถ้าเหล่านี้ก็ทําบาปอกุศลรำบรรามกแล้วเราท่านทั้งหลายตอนนี้เรายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นะโดยเฉพาะความเห็นผิดเนี่ยที่หยาบๆกันเลยชัดๆกันเลยที่เราเห็นก็คือว่าเห็นโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเต็มไปหมดนะเนี่ยนี่คือความเห็นผิดเกลักสักยะทิฏฐิถ้าสักกยะทิฏฐิ คือความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันพัฒนาตัวขึ้นม า, มาเมื่อไหร่มันได้รับฟังสิ่งที่มันไม่ใช่พระธรรมคำสอนเมื่อไหร่ถ้ามันพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งไปฟังเรื่องบาปอุปสธ ร, รธรรมอลาโมกไปฟังมิจฉาทิฏฐิไปเสพคุ้นบุคคลที่มีความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะทำไงที่จุดก็เสียหายเลยทีย่ามาบอกไว้แต่ตอน ตอนเช้ า, เามาเป็นคนตาดีจริงๆไม่รู้เป็นไงมองไปมักเห็นคนหลับอยู่เรื่อยถ้าถามจริงหลับมันมันง่วงมั่ง่ยเสาเวลานั่งฟังไงนะเอามาเวลาบรรยายทำเอามาจะไม่พิงพนักเนีเอามากลัวจะหลับไปเทศไปเอามาก็ตั้งตัวตรงๆอย่างนีก็ตั้งใจหายใจยาวๆแล้วคอยคอยตั้งตั้งจิตรับรู้ตลอดเวลาๆๆเลยก็อยากให้เราได้ได้ประโยชน์ในการฟังกันจริง ๆ, ๆตรงนี้คือการใช้เจตนาเนี่ยสาคัญมากนะใช้เจตนาทีนี้บอกว่า การงดเว้นเนี่ยนะด้วยการสมาทานศีลเอาไว้เนี่ยทีนี้การงดเว้นด้วยการสมาทานศีลคือใช้เจตนานเป็นตัวในการที่จะสมาทานตั้งใจและสัมปะตะวิรัตในหมายถึงการงดเว้นเมื่อประสบซึ่งหน้านีโดยไม่ได้สมาทานเอาไว้หรือไม่ได้คิดเข้าไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจงดเว้นมาก่อนเมื่อประสบแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะละเวรเจตนาอุปสที่เป็นบาปเป็นต้นได้สามารถละได้เลยนะอันอย่างนั้นก็เรียกว่า มาจากการพิจารณาถึงชาติถึงตระกูลอะไรก็แล้วแต่ถึงวัยของตอนเองโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ตนเองได้สมาทานไว้เลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมปะตะวิรัตก็แปลว่าเมื่อประจวบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็พิจารณาว่าเรามีการศึกษามาดีเราอยู่ในตระกูลที่ดีเราล่วงการผ่านวัยมามากการกระทําชั่วเช่นนี้ไม่สมควรแกเราเลยพอพิจารณาอย่างนี้เบสิกก็งดเว้นได้เลย อันนี้มาจากความหยีริโอตาปะเป็นต้นนั่นแหละก็เกิดความละอายบาปเกรงกลัวต่อบาปก็เลยกระตุ้นเตือนโดยการละได้เดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยนะละนักษณะนี้เขาเรียกว่าสัมปะตะ ว, วิรัตระหว่างเจตนามสมาทานวิรัติกับสัมปะตะ ว, วิรัตเนี่ยสมาทานวิรัตเข้มแข็งกว่าเพราะเป็นความตั้งใจอย่างรุนแรงเห็นไหมว่าบางท่านบอกว่าสมาทานวิรัตไม่สําคัญต้องกลับไปรู้ใหม่นะโอ้สมาทานนี่สําคัญมาก พระเนี่ยเวลาบวชเข้ามาเนี่ยเป็นในข้อในหลังสมาทานนะภูบาศกบาลิกาทั้งหลายต้องสมาทานศิกขาบทนะการสมาทานการฝังจิตใจให้แนบแน่นในคุณธรรมเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายวิจารณาอย่างนี้คุย ส, งสังเกตไหมว่าเราไม่สามารถที่จะฝังคุณของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังขรัตนศีนี่เป็นพระธรรมรัตนนะเป็นพระธรรมรัตนนะทานกุศลศีนกุศลเนี่ย เป็นพระธรรมรัตรนะเราไม่เคยฝังเราไม่ค่อยได้ฝังคุณของพระรัตนาไตรให้แนบแน่นลงในกระแสของชวนะให้เป็นอาชินากรรมอย่างต่อเนื่องได้อย่างยาวนานเลยอันนี้เป็นปัญหามากถ้าในมราณาสถานการณการคือใกล้ตายเนี่ยแล้วอารมณ์ที่เราไม่คุ้นเคยมันจะไปโผล่ในชวนะที่เป็นมราณาสถานวิถีได้ยังไงฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้อารมณ์ก่อนตายมีคุณของพระรัตนาไตรฝังแน่นลงในพวังเนะก็แปลว่าปฏิสนี่พวัง จิติในภพถัดไปเนี่ยจะมีคุณของพระรัตนตรัยอย่างแนบแน่นในกระแสของขันธ์ญาติยตนาแล้วฉะนั้นในปัจจุบันภพต้องมีจิตในการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยนัยนีโดยเฉพาะการฝังแน่นในพระธรรมคุณอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะศีลกุศลต่อไล่ไปตามลําดับทีนี้การสมาทานและการตั้งใจเนี่ยนะไม่ยอมล่วงละเมิดศีลเป็นการงดเว้นจากการทุจริต ทางกายทางวาจามีงดเว้นจากการฆ่าการรักเป็นต้นอีกอย่างหนึง่งเจตนานี่นะเจตนาในการบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้เต็มอยู่อันนี้แปลว่าถ้าเป็นคารวะทั้งหลายก็บำเพ็ญวัดปฏิบัติในการปฏิบัติต่พอพ่อแม่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ปฏิบัติต่อเพื่อนแล้วก็ปฏิบัติต่อสามีภรรยาบุตรที่ดาบ่าวให้ปฏิบัติต่อผู้แต่บงบัญชาแล้วปฏิบัติต่อพระพุทธเจา้าสาวพพุทธเจ้าการปฏิบัติวัดเหล่านั้นให้เต็ม คำเต็มในที่นั้นแปลว่าให้บริบูรณ์นะถ้าพระก็อุปชายวัดสิทธิทผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกที่อยู่ร่วมกับพระอุปชาหรืออาจารย์นั้นที่พึงปฏิบัติต่ออาจารย์มีการถวายน้ำล้างหน้าอย่างนี้นะล้างถวายน้ําล้างเท้าเนี่ยนะด้วยรุกขึ้นยืนรับเนี่ยด้วยคอยไปยืนคอยรับใช้ด้วยอุปถัมภ์ด้วยเชื่อฟังเนี่ยด้วยเรียนศินลปะวิทยาโดยเขารพ คือศึกษานั่งฟังพระธรรมโดยเคารพเคารพแบบตั้งใจจริงๆไม่ใช่สับสงบเคารพนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกเคารพอันนั้นเรียกถีนมิทะเดี๋ยวไปเข้าใจว่าที่ดิฉันนั่งแบบนี้ดิฉันเคารพท่านมากมนนีะ่ไม่ใช่เงี้ยนะไม่ใช่เคารพพระพุทธเจ้าหรือว่าเคารพพระราชนตรัยมากนะอย่างนั้นเขาเรียกว่า ไม่เคารพเขาเรียกไม่เคารพการศึกษาพระธรรมแล้วทํา ถ, าถีน้ำมิท้าให้ตั้งขึ้นเนี่ยเขาเรียกไม่เคารพในพระธรรมโทษของการไม่เคารพในพระธรรมจะได้ไม่ได้บรรลุนะให้ไปดูที่ในชั้นคําสอนเนี่ยไม่เคารพเนี่ยมีใครนั่งสับกงกแล้วบรรลุได้ไหมมีจะปลุกให้ตื่นแล้วบรรลุได้เพราะพระโมคคัลลานะนั่นแหละเป็นนั่งที่กาละวา น, นมุตตคามนั่งงกง่วงอยู่ใช่ไหมนั่นแหละพระประม า, าสตร์สดาก็ไปสแสดงอุบายแก่ง่วงแล้วก็ได้บรรลุ ดันั้นต้องไม่ง่วงถึงจะบรรลุถ้า ง, ง่วงไม่ได้บรรลุตรงนี้พูดถึงในด้านของเจตนานะเจตนาสีหลังเนะี่ยเจตนาของบุคคลพู้งดเว้นจากการปฏิบาติเจตนาของบุคคลที่บำเพ็ญวัดปฏิบัติที่เต็มอยู่เนี่ยนี้ท่านขับเน้นเจตนาเป็นประธานกะวะ็ว่าเพราะจัดแจงซึ่งนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ตัวนี้สําคัญว่าตัวเจตนาจัดแจงตอนเนี้เวลาเราฟังธรรมสังเกตดูนะเจตนาจัดแจงอะไรถ้าจัดแจงนามธรรมาจัดแจงภัสสาะให้ทําหน้าที่ของตนจัดแจงเวทนาให้ทาหน้าที่ของตน จัดแจงสัญญาให้ทำหน้าที่ของตนจัดแจงสังขารละขันให้ทำหน้าที่ของตนจัดแจงวิญญาณในขันให้ทำหน้าที่ของตนเจตนานั้นเน่ยเป็นผู้จัดแจงนามารำเหล่านั้นให้จัดแจงให้ทำหน้าที่อโลพาคือความไม่โลภไม่ทำหน้าที่ต้องใช้เจตนาจัดแจงนะอโทสาก็คือความไม่โกรธไม่ยอมทำหน้าที่ก็ต้องใช้เจตนานั่นแหละกระตุ้นเตือนชักนำอโทสาก็คือความไม่โกรธปัญญาไม่ยอมทำหน้าที่ใช่ไหมก็ใช้เจตนานั่นแหละจัดแจงปัญญาให้ทำหน้าที่ ศรัทธาตอนนี้ไม่ทําหน้าที่ก็ใช้เจตนาแหละไปจัดแจงศรัทธาให้มีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเชื่อในกรรมและผลของกรรมนอกจากเชื่อมั่นมีพอลองสังเกตใจใตัวเองก็ผ่องใสไหมดุดแก้วมันนีใช่ไหมที่ทําน้ําำน้ำที่ขุ่นให้ใสได้หรือไมื่และสภาพของศรัทธาก็ต้องเด็ดเดี่ยวในคุณงบพระรัตนตรัยด้วย คำว่าเดดเดียวในที่นั้นก็คือกล้าที่จะเดินออกจากกิเลสเช่นราคาเป็นกิเลสโทสาเป็นกิเลสกิเลสเนี่ยโมหะก็เป็นกิเลสถีนามิทะเป็นกิเลสไหมเป็นกิเลสศรัทธานั่นแหละกล้าเดินออกจากกิเลสแล่านั้นทิฏฐิความเห็นผิดก็สสสเป็นก ah ิเลสมานะเยื่อยิงทิ้ตัวก็เป็นกิเลสอหิเลกขาความไม่ละอายต่อบาปก็เป็นกิเลสอโนตตะปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปก็เป็นกิเลสใช่ไหมความมืดบอดของจิตทั้งหลายเหล่านี้เป็นกิเลส ถามวศรัท ธ, ธาลักษณะของเจตนากระตุ้นเตือนชักนำศรัท ธ, ธาก็เป็นธรรมชาติที่กล้ากล้าที่จะนำออกจากกิเลสเหล่านั้นน่ะนำนามาทําทั้งหลายออกจากกิเลสก็สังเกตใจที่ในขณะฟังทำไปก็สังเกตไปได้ใช่ไหมสังเกตไปได้ว่าเออเนี่ยศรัท ธ, ธาในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยมุ่งมั่นไหมกล้าที่จะกระชากจิตออกจากกิเลสเหล่านั้นหรือไม่หรือว่าโอ้ไม่ไหวแล้วท้องตืน่นเดียร์ยอมบางคนก็บอกก็ท่านพูดเดียรท่านก็ไม่ม่งม่นอจริงอ่ะ อย่าให้ขึ้นมาพูดแล้วมาจะฟังแล้วมาเพราะโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าต้องตั้งใจด้วยเนี่ยนั้นเจตนาก็ทําหน้าที่กระตุ้นเตือนทําอื่นๆนกระตุ้นเตือนศรัทธาให้ทํากิจศรัทธาก็คือธรรมชาติที่มีความกล้าเนี่ยกล้าที่จะข้ามท่านอุปมาเหมือนกทหารกล้าอุปมาเหมือนกับบุรุษที่มีความกล้าในการที่จะ เห็นคนทั้งหลายกําลังยืนออกันอยู่ฝั่งนี้ไม่กล้าที่จะข้ามจากน้ำศรัทธา ก, ก็ไปกระตุ้นเตือนบอกว่าท่านทั้งหลายตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะพาท่านข้ามจากแม่น้นํานี้ที่มีภัยมากข้ามไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยที่ไม่มีภัยศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยก็อย่างนั้นแหละปกติในวิจิกิจฉานี่มันลังเลสงสยัยใช่ไหมมันจับสองทิศสองทางอยู่นั่นแหละบางทีจะมาทาง คุณของพระรัตนตรัยจะแนบแน่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยแนบแน่นลังเลอยู่นั่นแหละสงสัยกรรมคุณยังเป็นห่วงเป็นใ ย, ยอยู่นั่นแหละเขาเหมือนอะไรนะเหมือนเขาเรียกกัเหยียบเรือสองแคมไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมมันดีหมดเลยนะกลับมาบ้านก็สวยงามเหลือเกินสีก็สวยเสียงก็พอกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยสัมผัสก็นิ่ม ทำมารมณ์ก็น่าชื่นใจเนี่ยมันก็มัวลังเลอยู่นี่แหละในการที่จะสแสวงหาบุตรแสวงหาภรรยาสแสวงหาทรัพย์ก็ลังเลอยู่กับเรื่องเหล่านี้ไม่กล้าที่จะทุ่มใจลงไปในคุณของพระรัตนตรายอย่างจริงจังเส้นเล ย, เยก็เลยลังเลอยู่อย่างเงี้ยลังเลอยู่นี้เขาเรียกว่าไม่มั่นใจแต่ถ้าศรัทธานั้นจะมีความกล้าด้วยนะแล้วก็มีความที่จะเด็ดเดี่ยวด้วยในการที่จะเดินออกจากกลุ่มบาปอกุศลรธรรมเขาเรียกว่า ข้ามกามโมฆาผะโวฆาทิถโฆฆาวิโชคาเป็นต้นไดกามโมฆาโอฆาก็คือกามไงนีทิถโฆคาโอฆาคือมิจฉาทิถิความมิจนผิดทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ผะโวฆาโอฆาคือกามมาพบรูปมาพบอรูปมาพบอวิโชฆาโอฆาคือความมืดบอดของจิตนี่แหละมันกล้าข้ามาตรงนี้ก็คือเจตนาก็กระตุ้นศรัทธาให้ทํากิจกระตุ้นวิริยะโดยเฉพาะวิริยะก็ประคับประคองแล้วให้สังเกตดูนะคนที่มีวิริยะที่เป็นไวยกุศลได้มากเนี่ย ก็จะประคับประคองให้จิตนั้นเป็นไปกับกุศลได้นานๆสังเกตุที่ว่ากุศลแจิตของเราเกิดได้นานไหมจบชาวนะขึ้นใหม่เป็นกุศลไหมตกลงจากชาวนะไปเส็จขึ้นชาวนาใหม่เป็นกุศลไหมเป็นต้นเนี่ยก็สามารถประคับประคองกุศลให้เดินได้นานๆเดินได้ยาวๆบางคนเดินกุศลได้เป็นชั่วโมงนะเดินได้เป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงบางคนเดินได้เป็นวันๆเลยคนที่เดคนที่ได้สมาบัติทั้งหลายสมาธิเขาเข้มแข็งเนี่ยเขาสามารถเดินกุศลจิตได้เป็นวันๆวันๆเลยนะเนี่ยนี่หมายถึงกลุ่มมได้ชาา บาทนี่นะื้อย่างเราท่านทั้งหลายก็พยายามประคับประคองนะืถึงแม้เป็นการมอวาจรนี่นะืก็ไม่เป็นไรแต่อยู่อย่างเดียวให้เราเพียรพยายามประคองจิตให้เป็นปกับกุศลนี่ต่อเนื่องและสติก็ธรรมชาติที่ระลึกได้ตามระลึกได้นะืย้อนระลึกก็ได้ตามระลึกได้นะืแล้วก็คิดได้จําได้ไม่ฟัน่นเฟือนไม่เลือนเลอะลักษณะของสติเป็นอย่างนั้น สมาธิก็มีความตั้งมั่นที่เป็นใบกุกศลปัญญาก็รอบรู้รอบรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละธรรมชาติที่เจตนานั่นแหละกระตุ้นเตือนในชั้นของการเจริญทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลเป็นต้นเหล่านี้นะ คนใช้เจตนาในการที่จะยกพลของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาให้มีกำลังมากๆเพื่องดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นเห็นไหมว่าเจตนาทำหน้าที่คอยกระตุ้นเตือนธรรมมะอื่นๆก็เช่นเออศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทห้ทำหน้าที่ของตนเพื่อเป้าหมายก็คือว่า จะได้งดเว้นจากบาปประรมทางกายและทางวาจาก็คือไม่ให้กายกรรมวาจีกรรมเนี่ยเกลื่อนกลนกระจายกระจายด้วยการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกรรมเป็นต้นวาจีกรรมก็ไม่ให้กล่าววาจาที่เป็นเท็จออกมาหรือพูดส่อเสียดคำหยาบเลภเชื่อใจก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นเจตนาได้แก่เจตนาศีล น, น, นะอันนี้เป็นกุศลกรรมนะเป็นกิจพิเศษด้วยท่านใช้คําว่าพีชานิทานกิจจาเนี่ยเป็นศีลเจตนากรรมที่ทําหน้าที่เพราะเมล็ดพันธุ์แล้ เมล็ดพันธุเ์เมล็ดพันธุ์ตอนนี้นะในการที่จะปลูกลงไปในดินแนละ้วเมื่อปลูกมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ลงไปในดินก็จะมีผลในการต่อไปคานในกุศลีและกุศลก็ดีทานกุศลก็ดีนะี่นะถ้าเรามองอย่งนี้นะว่าในชั้นของสีและกุศลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้สมบัติในพบน้อยพบใหญ่แล้วก็เป็นปัจจยัยในการสิ้นจากวัตถุทุกข์ด้วยศีลเป็นที่พึ่งด้วยศีลเป็นที่ตั้งศีลเป็นที่ยึดหน่วงเป็นต้นเหล่านี้ในรายละเอียดศีลเป็นที่บ่งชี้คติที่เป็นไปในพบหน้า ศีลเป็นวงของพระตถรคตรเป็นวงของพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าเอาเราอยู่ในวงของพระเจ้มม า, รราไหมแล้วปรารถนาจะเป็นวงของพระเจ้มมาเ ร, ราก็ต้องเนี่ยพระมมรรเจ้ า, าในวงของพระเจ้าต้องปฏิบัติตามศีลเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่เข้าสู่วงของพระเจ้านะฉะนั้นน่ยศีลเนี่ยเป็นอริยวงเป็นวงของพระบรมศาสดา เราเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีบาศกบาสิกาใช่ไหมอยู่2กลุ่มเป็นอุบาศกแร้วบาสิกาเนี่ยก็ต้องเดินตามวงของเราที่คนที่จะเดินตามวงของเราก็คือมีกุศลศีลในการมาจัดแจงกายกรรมวจีกรรมเนี่ยไม่ให้กระจัดกระจายด้วยการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกลามเป็นต้นตรงนี้ถ้ามองในลักษณะนี้เจตนาจึงเป็นกรรมเลยใช่ไหมเป็นกรรมนี่เราบอกว่าเรามาเจริญเรารู้จักคําว่ากรรมเรามาเจริญอะไรเจริญกุศลกรรมงดเว้นจากอากุศลกรรมใช่ไหม ที่มองอย่างนี้ก็เห็นชัดเลยว่า เออเจตนาเป็นกรรมนิดเมื่อเจตนาเป็นกรรมเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนั่นเองที่เป็นไปกับกุศลทั้งหลายเหล่านี้เป็นกุศลกรรมกุศลกรรมเหล่านี้ก็จะมีผลต่อไปในการต่อไปแล้วทีนี้ให้สังเกตดูนะเราสมาทานศีลมาแล้วเมื่อเช้าแต่อย่าลืมว่าศีลเป็นกุศลใช่ไหมทีนี้เรามานั่งนะตรงนี้ถ้าราคาเกิดขึ้นความกำหนัดเกิดขึ้นความขัดเคืองเกิดขึ้นความรุ่มหลงมัวเมาเกิดขึ้นถีนามิท่าหดหู่ท้อถอยเกิดขึ้นวิจิกิจฉาลางังเลสงสัยเกิดขึ้น อุทธจารฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอันนี้เป็นศีลกุศลไหม <S <S เป็นไม่เป็นไม่เป็นแล้วทานกุศลก็ไม่เป็นศีลกุศลก็ไม่เป็นภาวนากุศลก็ไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเจริญกุศลเรียกว่าเจริญอะไรไม่เรียกเขเรียกอกุศลเจริญแต่เราไม่ได้ตั้งใจเจริญมันหรอกเพราะมันชำนาญอกุศลเน่ยเจริญเอาเจริญ เ, เ, เอาเลยใช่ไหมจิตใจก็เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลแลรวทอลา ม, มกอยู่นั่นแหละเออนี่เขาเรียกแขกไม่ได้รับเชิญ ใช่ไหมแขกไม่ได้รับเชิญแต่จริงๆแล้วเราแอบเปิดประตูเชิญเข้าไหมไเขาเรียกปากว่าตากระหยิบยใช่ไหมปากว่าแต่จริงๆก็คือเราไปแอบเปิดประตูให้บาปมันเข้ามานะให้ราคาความกำหนัดมันเข้ามาโทสะความโกรธมันเข้ามาโมหะความหลงมันเข้ามาอยู่เรื่อยๆฉะนั้นต้องอยู่กาบการที่ว่าคอยตั้งใจละละมัดระวังด้วยนะละมัดระวังนะว่าใครจะเข้ามาในบ้านคือในประตูในใจเราเนี่ย ต้องสังเกตบ้างถ้าเขาจะขอเข้ามาต้องบอกเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนถ้าหน้าตาแบบไม่ค่อยน่าไว้วางใจเนี่ยแล้วก็บอกยังไม่ต้อนรับต้องทําอย่างนั้นใช่ไหมอ้าวคนที่เราไม่รู้จักเวลาเราอยู่ที่บ้านเรากล้าเปิดไปดูรับไห ม, ไมแสดงว่าโลภะโทวสาวมัวหานี่เรารู้จักกับเขาคุ้นละมั้งเนี่ยคุ้นไม่คุ้นคุ้นเลยใช่ไหมแอบแอบคุยกับเขาทุกวันเนี่ยตรงนี้จะต้องจัดการแล้ว ให้รู้เธอเขาเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิตรแท้เขามาแล้วมาเพื่อทำลายนะมาเพื่อทาลายเขาเป็นมหาชนไหมเป็นมหาโจนด้วยเขาจะมาปล้นไหมมาปล้นทราพด้วยถ้าเราเดินทางไปกับมหาโจนเราก็รู้อยู่ว่าคนคนนี้มหาชนเนี่ยเราจะกล้าเดินทางไปกับเขาไหมกล้าไม่กล้า ฉะนั้นโลภะโทสะโมหะเนี่ยเดินทางไปกับ เ, เราเราทําไมกล้ารับเดินไปกับเขาไม่กลัวอันตรายหรือว่าเขาจะฆ่าเราฉะนั้นไม่น่าไว้ใจแล้วฉะนั้นเจตนาในการที่จะสมาทานศีลต้องมั่นคงแสดงว่าเมื่อเช้านี่เจตนาในการสมาทานศีลกันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นต้องตั้งใจให้เข้มแข็งแล้วก็น้อมถึงเจตนาที่เราตั้งใจไว้ ถ้าเมื่อเช้านี้ไม่ได้สมาทานก็รีบสมาทานเมื่อตอนเที่ยงถ้าตอนเที่ยงไม่ได้สมาทานก็สมาทานตอนนี้เสียตั้งใจเดี๋ยวนี้ <c oughs> ใช่ไหมวันหนึ่งวันหนึ่งต้องให้มีการระลึกถึงศีลสมาทานศีลบ่อยๆจะได้เป็นปัจจัยในการกระตุน้ตนเตือนว่าศีลเป็นกุศล น, นะที่เราจะเจริญเนี่ยไม่ใช่เจริญศีลที่เป็นอกุศลไม่ใช่เจริญศีลที่เป็นอภิญญาะตะดใช่ไหมอกุศลศีลเนี่ยแก่มีอกุศลจิตเป็นสมุทรฐานเนี่ย โลพาโทสามโมหาเป็นสมูธฐานของอกุศลศีลใช่ไหมเจตนาทั้งหลายกรณีาการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเป็นต้นเหล่านี้ยนะโดยเฉพาะการมณ์โกรธหลงทั้งหลายนี้เป็นภาวะที่ศีลไม่เกิดในใจทั้งนั้นแหละอย่าลืมนะว่าศีลเนี่ยมาจัดแจงกายกรรมวาจีกรรมจริงแต่ศีลเกิดที่ใจนะและเป็นกุศลจิตตอนนั้นใจก็ต้องไม่โลภไม่โกรธ ด, ด้วยตอนนั้นอนะใจก็ต้องเป็นไปกับคําสอนด้วย ไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยบาปเกิดในใจแต่มีศีลอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ศีลเป็นกุศลแต่ศีลมาจัดแจงกายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายด้วยการฆ่าด้วยการลักด้วยการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อศีลก็ต้องคอยมาตรวจสอบโดยเฉพาะตัวเจตสิกศีลเนี่ยซึ่งตุวมตัววิรัตเนี่ยจะต้องมาคอยตัดรอนเวรเจตนาที่เป็นบาปคือมาตัดรอนอกุศล เวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรตีก็ต้องมาทำหน้าที่ในการตัดรอนแล้วไม่ให้ไม่ให้บาปนั้นเกิดก็แปลว่าทวรตีเนี่ยนั่งแท่นอยู่ในใจแล้วก็คอยห้ามบอกอย่าเข้ามาโลพะโทสะเวรเจตนาที่เป็นโลภโทสาโมหาทั้งหลายเนี่ยอย่าเข้ามาในใจนะไม่เกรงใจงได้ไงเรานั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้